ท่านพระเทรารุเทระทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระบรยานวิเทศรักษาการเจ้าวาดวัดธรรมรามเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ซึ่งมีคุณสรีพรตันติปัญญาเทพ ร, รองกงสุนใหญ่เป็นประธานพร้อมทั้งประธานจัดงานทอดกะถินพระราชทานเขตคุณนุชนาสวรมณีชุมสายณอยุธยาวันนี้เราท่านทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนา มหากุสลคือการทอดกรถินพระาชถานวัดธรรมารามก่อนแต่การทาพิธีท่านให้ตั้งจิตเจตนาที่เป็นกุสอนเรียกว่าบุพะเจตนาบุพะเจตนาคือเจตนาก่อนที่เราจะทำบุญเหมือนคุณยา่าคุณยายสมัยก่อน เวลาจะใส่บาทก็ยกขึ้นจบอธิษฐานอันนี้ท่านเรียกว่าบุพเจตนาเมื่อมีเจตนาเบื้องต้นที่ดีก็เราทำก็จะทําให้เราทําบุญอย่างมีความสุขคําว่าบุญเป็นชื่อของความสุขสุขัดเสตังอธิวัจนงบุญเป็นชื่อของความสุข ความสุขมีทั้งความสุขแบบชั่วครู่ชัวยย่วอย่างประเดีย ว, วกับความสุขที่ยั่งยืนถาวรวันนี้จะพูดเรื่องความสุขที่ยั่งยืนเอามาจากคําในที่ใช้กันอยู่โดยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้15ปีตั้งแต่คศ2015ถึง230 0เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาทั่วโลกไปสู่เป้าหมายเดียวกันเรียกย่อๆว่า SDGs มาจากคำว่า Sustainable Development Goals เป้าหมายของการพัฒนาต้องไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2030ก็คือ2073เขาจะให้ทั่วโลกเนี่ยไปสู่เป้าหมายเดียวกันหมดประเทศไทยก็ต้องทำสหรัฐก็ต้องทำพยายามหายใจอยู่รอดูว่าจะสำเร็จไหม สองพันเจ็ดสิบสามสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามก็คื อ, 2030. อสองพันสามสิบสองปีคศสองพันสามสิบแล้วก็คำว่า s ustainable เนี่ยแปลว่ายั่งยืนเราอยากจะมีความสุข happiness ทำอย่างไรให้ มันส ustainable สุขที่ยั่งยืนยาวมาทอดกระถินวันนี้มีความสุขแต่ไม่ใช่พอพ้นประตูวัดทุกท่วมหัว <c oughs> ทำอย่างไรให้พวกเรามีความสุขที่ยั่งยืนพระพุทธเจ้าทรงสอนในพุทธศาสนาสนเรื่องความสุขของชาวบ้านสี่อย่าง เป็นความสุขที่ยั่งยืน 1. อัติสุขสุขจากการมีทรัพย์สิน2โภคสุขสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สินนั้น 3. อนันตสุขสุขจากการไม่เป็นหนี้เป็นศินล้นพ้นตัวและสอนัวชั่สุขสุขจากการทํางานที่สุจริต จีนมีความสุข5อยางสุภา ษ, ษิตจีนเขาบอกว่าอยากมีความสุข1ชั่วโมงให้งีบหลับเพราะฉะนั้นเวลาฟังเทศพระวัดธรรมรามหลับได้1ชั่วโมงตื่นมามีความสุขแล้วเอวังพอดีนี่ภา ษ, ษิตจีนนอะอยากมีความสุข หนึ่งชั่วโมงให้งีบหลับอยากมีความสุขหนึ่งวันทําอะไรโอหนอนอีกแล้วกินบ้านกินเมืองจีนบอกว่าภาษีจีนโบราณบอกว่าอยากมีความสุขหนึ่งวันให้ไปตกปลาฟิชชิง อยากมีความสุขหนึ่งเดือนทําอะไรเขาบอกให้แต่งงานจริงก็ืาไม่รู้นะอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นแต่เขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วหนึ่งเดือนไปแต่งใหม่ออยากมีความสุขหนึ่งเดือนแต่งงานอยากมีความสุขหนึ่งปี ให้รับมรดกอยากให้วัดธรรามีความสุขก็ทำเหมือนโยมนุศสอนเน่นะทิ้งมรดกให้เจ้าวาดไว้อยากมีความสุขชั่วชีวิตยั่งยืนฮะบวชวันไหนอ่ะ เลหลืออยู่ห้าองค์มาสมัยก่อนเป็นสิบอยากมีความสุขชั่วชีวิตให้ช่วยเหลือคนอื่นทำบุญทำกุศลเพื่อคนอื่นจะเป็นความสุขชั่วชีวิต ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นโพค้าสุขที่พระเจ้าตรัสว่ามีเงินมีทองต้องใช้เนี่ยเป็นความสุขเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีมากมีน้อยถึงจะสุขมากสึกน้อยแต่อยู่ที่ใช้เงินอย่างไรทำอะไรตัางหากที่จะทำให้มีความสุขที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยบริ t i s h คล l มเบียที่แวนคูเวอร์เนี่ยแคนาดาเนี่ยเขาลงทุนทำวิจัยซึ่งผลออกมาเนี่ยมีคนเอามาอ้างอิงแล้วทำวิจัยกันต่อมาจนปัจจุบันโดยให้ทีมวิจัยเอาเงินไปแจกคนแปลกหน้าใส่ซองไปนะไปในถนนเนี่ยไปเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเอาเงินใส่ซองไป บางคนได้หนึ่งสองก็ไปเปิดดูมีห้าเหรียญห้าดอลลาร์บางคนอาจจะได้ยี่สิบดอลลาร์แล้วแต่แจกไปโดยมีข้อตกลงว่าภายในห้าโงเย็นวันที่ได้รับเงินเนี่ยคุณต้องเอาเงินนี้ใช้ซื้ออะไรก็ได้เพื่อตัวเอง ต้องเพื่อตัวเองนะกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับอีกกลุ่มหนึ่งแจกเงินห้าเหรียญบ้างสิบยี่สิบเหรียญบ้างใช้ให้หมดภายในห้าโมงเย็นโดยมีข้อแม้ว่าต้องใช้เพื่อคนอื่นกลุ่มแรกได้เพื่อตัวเองกลุ่มหลังนี่ซื้ออะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นเพื่อคนอื่นพอให้ไปแล้วเขาก็เหมือนกับติดต่อภายหลังแล้วก็สัมภาษณ์ว่ามีความรู้สึกอย่างไรในการที่ไปใช้เงินผลออกมาก็คือ <S <S การใช้เงินเพื่อคนอื่นให้ความสุขมากกว่ามากกว่าที่จะเอาเงินไปซื้อของกิน ไปทำอะไรก็ได้เพื่อตัวเองนะแล้วไม่มีความแตกต่างในเรื่องความสุขระหว่างห้าเหรียญกับยี่สิบเหรียญขอให้ใช้เพื่อคนอื่นมีความสุขเอาเขาทดลองใหม่อีกเอาหออขนมของขันเนี่ยให้คนซื้อสมมติว่าเจอกันอย่างนี้นะช่วยซื้อหน่อย ข้างไหนอาจจะมีคุกกี้มีช็อกโกแลตอยู่ในถุงเป็นถุงของฝันเล็กๆห้าเหรียญอยี่สิบเหรียญะซื้อกลุ่มแรกบอกคุณซื้อเอาไปกินเองเขาก็ซื้อไปกลุ่มที่สองบอกว่าซื้อแต่ขอคืน เพื่อเอาไปแจกเด็กป่วยที่โรงพยาบาลสองกลุ่มนี้ท่านเดาได้ไหมว่ากลุ่มไหนมีความสุขมากกว่าระหว่างซื้อเอาไปกินเองกับซื้อไปแจกแจกเด็กที่ไม่สบายที่อยู่โรงพยาบาลแจกเด็ ก, ก, ดกสมมุติอีกสมมุติว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยไปถวายพระกับซื้อกินเองนี่อย่างไหนมีความสุขมากกว่ากัน เออถวายพระสิรับลูกกันหน่อยออติดต้นข้ปาร่โอเทอดกระทินดิมีความสุขไม่ต้องเหลือกลับบ้านวันนี้ทำไมเพื่อคนอื่นจงมีความสุขเขาก็วิเคราะห์เองเพราะมันมีโซเชียลคอนเนคชั่นเขาเรียกโปรโซเชีย so ล d onation หรือก v i n g เพื่อสังคมเพื่อความเชื่อมสัมพันธ์แต่ถ้าวิเคราะห์ในทางศาสนาเราทำเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อวัดเพื่ออะไรต่างๆทำไมมันมีความสุขมากกว่ายั่งยืนกว่าก็เพราะว่าถ้าเวลาเราทำเพื่อตัวเองเนี่ยกินหรือใช้มันก็จบ ความรู้สึกมันมันจบแค่นั้นออ่มหรืออะไรก็พอแล้วแต่เวลาเราทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันไม่ใช่จะทำง่ายๆนะเวลาเราจะให้เนี่ยหนึ่งเราจะต้องคิดต้องตัดสินใจให้แล้วมีประโยชน์ไหมควรให้ไหมเทตมาพูดเมื่อกี้ว่าบุพะเจตนาเจตนาก่อนที่จะให้ถ้าเรามีเจตนา แรงกล้าก่อนที่จะให้มากมันจะมีการเตรียมการและสิ่งที่เตรียมการเนี่ยมันจะประทับอยู่ในความคิดเราเป็นช่วงต้นท้าเรียก บ, บุพเเจตนาเหมือนถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่เช่นจะทอดกระถินพระราชทานเตรียมเป็นปีนะจองใช่ไหม จิตมันเตรียมพร้อมเพื่อที่จะทำการใหญ่มันจึงไม่ลืมง่ายล่ะคิดเอ๊จะทำยังไงดีพระพรหมบันดิตถึงจะมาลงทุนไปนิมนต์ถึงวัตถุยูนออส่งคุณโยมสํำเริงไปอีกเนรอโอ้โหไปคอนเฟิร์มก่อนที่จะทำอะไรเนี่ย มันก็จะมีบุพเจตนาอย่างที่ว่าแล้วบุพเจตนาที่ว่าเนี่ยมันก็จะมาถึงขณะของการทำจริงๆอยากถึงตอนนี้เตรียมการมานานในถังในที่สุดก็มาถึงเวลาท่านเรียกว่ามุนจนะเจตนาความคิดในขณะที่กำลังทำกถินมีปีละครั้งเะาเรียกการละาน เดี๋ยวพระที่ท่านอยู่สิบรูปเนี่ยท่านจะสวดบทนี้บทบทที่จะสวดเนี่ยปีละครั้งเท่านั้นซ้อมกันอยู่นะกลัวล่มเหมือนกัน <c oughs> ปีละครั้งถึงจะได้สวด น, น, นะนะเขาเอาจจะมาจะเป็นคนขัดอักขิขุดตงังตั้งพระยมสังเกตแล้วจะแล้วทางฝ่ายท่านจะคุณพยายามท่านจะท่านจะเคลืนคำว่ากาเลทะทันติสปัญญาว่าทันอยู่ กาเลแปลว่าตามวาระเฉพาะการงานนี้ใช้บทนี้ได้เท่านั้นงานกระถิ่นปีละครั้งมีบางวัดไม่ได้สวดกันบ่อยกาเลททันติเนี่ยนะพระก็จะต้องรับกันยชงไหซ้อมกันแต่ท่านขึ้นพระรับไม่ได้เลยปกติต้องสวดว่ากาเลททันติท่านไปนขึ้นว่ากาลันทเท ลูกวัดงงเลยนะหวังว่าวันนี้ไม่มีนะพูดดักไว้ก่อนล่มเลยนะกาเลทันเป็นการันทเทีแล้วจะไปกันยังไงเรไปไม่ถูกเทีนี้เมื่อเป็นการาธานมีครั้งเดียวแต่ละวัดแล้วยังเป็นพระราชทานอีกก็ ทำให้จิต น, นั้นฟูมีความรู้สึกที่โสมนัสแปลว่าดีใจในขณะที่เราเอาของมากินเองเนี่ยเราไม่มีโสมนัสนะแต่เราซื้อชอ็อกโกแลตแจกเด็กเนี่ยห้าเหรียญห้าห้าบาทอะไรก็ทำเนี่ยตาเด็กเขาเป็นประกายเนี่ยเรามีโสมนัสมีความปลื้มใจดีใจในขณะที่เราทำความสุขมันจึงยั่งยืนไง พอเราให้ไปแล้วแจกเด็กไปแล้วเนี่ยหรือทำบุญไปแล้วก็ตามมันจะมีอปรระเจตนาความคิดถึงเรื่องที่เราได้ทำไปแล้วเหมือนกับเอาไปทบทวนในความคิดเรามันย้อนมาเองอปรระปแปล ว, ว่าหลังจากที่เราทำจบแล้วไม่ได้จบเลยนะทำบุญใหญ่เนี่ย เราจะคิดถึงอะไรก็ตามวิธีตัดสินง่ายๆว่าเรามีความอปรรยาเจตนาที่แข็งแรงไหมเนี่ยเวลาเรานึกถึงแล้วมีความสุขปลื้มใจหนึ่งเราจะเอาไปพูดถึงปีนั้นปีนี้เราได้ทอดกระถินที่นั่นไปทำบุญที่นี่ไปสร้างพุทธรูปที่นั่นที่นี่เราจะมีอปรรยเจตนาอันนี้ต่อเนื่องแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอยากทำซ้ำ อออาจจะยอดอัดทนะ่อดีนะออแล้วแต่วัดไหนเนอะสังเกตเนี่ยคือพอเราทำแล้วเรามีความไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องวอร์เนเทียเรื่องอาสาสมัครสมัยเห็นพวกคุณหมอไปเมืองไทยนะสมัยก่อนไปทำเมดิคอฟมิชชั่น่ ไม่ได้ความวิชชั่นละบากก็ไปกันพยาบาลอะไรต่างเหมือนกับทำแล้วมัน เ, นเกิดอัปราเจตนาปลื้มใจดีใจชวนกันไปทำตอนที่ยังแข็งแรงอยู่นะ <c oughs> หรือจะทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครเนี่ย จะมีโอกาสจะเข้าไปร่วมเข้าไปช่วยทาไปฟ e d the h o m e l เล s หรืออะไรก็ตามเราจะอาสาเพราะว่ามีความสุขเมืองไทยมีข่าวใหญ่ตอนที่ไอหมูป่าใช่ไหมติดถ้ำมันนะคนไปอยู่หน้าถ้ำเนี่ย<ม>เป็นหมื่นนะ<ม>เป็นหมื่นคน<ม>แล้วพวกนักดำน้ำในถ้ำเนี่ยมาเป็นร้อยคน เขามากันมาด้วยความรู้สึกที่อยากจะทำอะไรดีๆในการช่วยชีวิตคนและเมื่อทำแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่ดีขนาดไหนรอดูหนังออลิบูดมาแน่ๆฉะนั้น สังเกตอยู่มันจึงไม่ได้จบอยู่แค่เรื่องนี้อาจจะเราไปทำเรื่องอื่นในลักษณะคล้ายกันทำความดีอื่นๆต่อไปเพราะเราทำความดีแล้วเป็นผู้ให้แล้วเรามีความสุขอัปรั์เจตนาทั้งก่อนทำเตรียมการเราก็ปลื้มใจดีใจกำลังท ำ, ทำก็มีความสุขทำแล้วไปคิดถึงก็มีความสุขในสมัยรัชกาลที่ห้าในประเทศรัสเซีย จกกักรพรรดินีของรัสเซีย เ, เป็นมเหสีของพระเจ้าซาอัเล็กซานเดอร์ชอบการกุศลชาริตี้เนี่ยนะในส่วนตัวชอบการกุศลแต่จะมีการกุศลอย่างหนึ่งที่คนเล่าขานกันมาในปัจจุบันก็คือการให้อภัยทาน การทำทานเราทำด้วยการให้อามิสทานสิ่งของทำบุญทำกุศลบริจาคปัจจัยหรือให้วิทยาทานความรู้ได้สอนได้พูดได้เทศเราก็มีความสุขธรรมทานคือสอนธรรมะแล้วก็อภัยาทานให้ความไม่มีเวรไม่มีภยัยให้ความปลอดภยัยจกกักรพัสดี ชื่อมารีอาเนียเป็นมเหสอ่าเป็นไม่เหสีของพระเจ้าซาอเลกซันเดอร์ถ้าพูดอย่างนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราแต่ถ้าบอกว่าพระนางมารีอาเนี่ยเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าซานิโคลัสซึ่งเป็นพระสหายสนิทของห5ห้าเวลาเสด็จเยือนรัสเซียเนี่ย ไปพบกับพระเจ้าซานิโครัสเป็นระดับแรกแล้วพระเจ้าซาต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทําให้อังกฤษฝรังเศสเกรงใจรัชการทีห้าเพราะตอนนั้นรัสเซียเป็นมะอามนาธแล้วทำไมจึงสนิทก็เพราะว่าตอนที่เป็นม ก, กุฎราชกุมารเนี่ยพระเจ้าซานิโครัสไปเยือนเมืองไทย ในขณะที่ไปเยือนเมืองไทยเนี่ยพระราชามาดาคือพระนางมาเรียนี่แหละก็ดูแลกิจการกับพระราชบิดาคือพระเจ้านิโค拉斯ไอพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ภาษาอเล็กซานเดอร์ทีนี้สมัยโ น, โน้เนี่ยมันก็จะมีกบฏมีอะไรต่างๆเพราะมันใกล้มันมันถึงยุคที่ใกล้จะล้มราชบัลลังก์เริ่มคอมมิวนิสต์เริ่มก่อวอดก็จะมีการจับแล้วก็ลงโทษ ในประเทศผู้ที่จะตัดสินในประเทศหรือประหารนี่ก็คือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าซานิโคลัสน่แหละพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์พระราชบิดาของพระนิโคลัสทีนี้พระนางมาเรียเนี่ยท่านเป็นคนขี้สงสารถ้าพระสวามี ลงโทษรุนแรงท่านก็จะช่วยพูดให้ผ่อนหนักเป็นเบาเป็นคนใจดีทำแล้วมีความรู้สึกเป็นสุขไงที่ที่ว่าเนี่ยช่วยชีวิตคนแต่บางทีก็ไม่อยากรบกวนไม่อยากไปขอแปลงสารเอาดื้อๆสามีสั่งมาอย่างงี้กว่าจะไปถึงเลขาไม่เห็นสีเปลี่ยนแปลงสารมีอยู่ครั้งหนึ่งเปลี่ยนง่ายๆมากเลยท่าน พวกทําเรื่องขึ้นไปข อ, อนิรโทษสกรรมกับพระเจ้าซาอลเล็กซานเดอร์ว่าคนคนนี้เนี่ยขอนิรโทษสกรรมเถอะปรากฏว่าพระเจ้าซามีพระราชวินิจฉัยลงเซ้นเลยเป็นภาษาอังกฤษว่าพ a r d o อน m ิ o s s i b l e นิรโทษสกรรมเป็นไปไม่ได้แล้วก็คอมม่า To be sent to ซบ b เ r ีย s ซบ e เ i ียหนาวยิ่งกว่าชิคาโกไม่รู้กี่เท่านะอย่าให้ไปเกิดที่นั่นเชียวนะ To be sent to s บ b เ r i a เพราะฉะนั้นท่านท่านก็แล้วก็ลงพระนาม Pardon Impossible To be s e n ่า o Siberia ูไซบเรียนิลโตกรรมเป็นไปไม่ได้จงส่งไปไซบเรีย พอนังสือออกมาพนางมาเรียมาดูลบคอมมาออกย้ายมาอยู่หลังคำว่าพาดอนพาดอนคอมมา impossible to be sent to Siberia แค่นี้แหละแล้วไม่ต้องทะเลาะ ก, กันด้วยเอ้ยอยู่ๆทำไมมันไม่ไปสักทีเพาดอนคอมมาก็เหมือนกับนิรโทษกรรมให้ impossible to be sent to Siberia เป็นไปไม่ได้ที่จะส่งไปไซบีเรียแล้วท่านก็มีความสุขที่ได้ทำความดีเล็ ก, ลกๆน้อยๆเมื่อเช้าเห็นข่าวแว บ, บๆนะหมูมันหนีมาใช่ไม <c oughs> <c oughs> ไทยชีวิตกันเลยนะคนไทยชีวิตหมูจากโรงฆ่าสัตว์ที่เมืองไทยแฮปปี้แล้วแค่นั้นอนะ่ะ <c oughs> ไปที่วัดแห่งหนึ่งพระเลี้ยงควายตัวอ้วนเลยนะ ที่จังหวัดนนทบุรีอ่ะควายตัวใหญ่มากก็ไปถามว่าทําไมถ้าเลี้ยงควายบอกมันว่ายหนีมาจากโลค่าสัตว์มาขึ้นนะเนี่ยหน้าวัดเนี่ยพระเลยต้องเลี้ยงไว้เพราะโยมมาไถ่ชีวิตแล้วเขาก็มีความสุข <c oughs> เขาหลังก็เอาควายมาปล่อยเรื่อยเลยนะ <c oughs> ทําซ้นะําน่ะควายเต็มวัดเลยนะ่ะพระไม่ต้องเป็นทําอย่างอื่นหนระืเลี้ยงควายอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําความดีมีความสุขมันจะมีลักษณะคือทําซ้ําไอการทําซ้ํานี่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมเดิมก็ได้กิจกรรมอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเพื่อกิจกรรมทางสังคมชีริตี้อะไรต่างเจบตําแหน่งนี้แล้วเดี๋ยวเวียนไปหาตําแหน่งโน้อีกแล้วไม่ไม่ไมค่อยได้กลับบ้านเนอะเพราะว่า มันเกิดความรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าทำไมเราถึงมีความสุขเวลาที่ได้ทำบุญเพราะมันทำให้เกิดเจตนาที่ว่าเนี่ยแต่ทีนี้ในการที่เราทำความดีเนี่ยมันยังไม่ใช่จะมีเฉพาะในเรื่องของกาละนะกาละหมายถึงเวลาใช่ไหมก่อนทำกำลังทำหลังทำเราคิดยังไง มันยังอยู่ที่ทําที่ไหนอีกเทสะทําที่ไหนถ้าทํากับบุคคลเขาเรียกว่า บ, บุญาบญาเขตทําบุญญาเขตก็คือทําบุญกับพระรูปนี้พระอริยะเจ้ารูปนั่นรูปนี้ครูบาอาจารย์เรามีความสุขอีกอย่างหนึง่งท่านหมายถึงสถานที่จริงๆที่เราทําสถานที่ที่เราทําเนี่ย ถ้าทำที่นี่เรามีความสุขมากไปทําที่อื่นงั้นงั้นแหละในชีวิตคนเราจะมีสถานที่ที่ควรจะไปทําความดีตอบสนองปฏิการะอยู่สามที่ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตลอดชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีสถานที่ให้เราต้องไปตอบแทนเนี่ยสามที่ยาวชีวังสรณนียานิ ควรจดจำตลอดชีวิตและมีโอกาสไปตอบแทนและได้ตอบแทนแล้วเราจะมีความสุขมีความภาคภูมิใจมีโสมนัสมากกว่าที่อื่นหนึ่งก็คือที่เกิดของเราบ้านเกิดเมืองนอนมีใครลืมว่าตัวเองเกิดที่ไหนบ้างถ้ายังถือพาสปอร์ตไทย เขาจะใส่ไปด้วยใช่ไหมจังหวัดอะไรได้ซ้ำไปอะ่ะเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นที่เกิดจึงเป็นที่สําคัญสําหรับคนพระผู้เจ้าประสูติที่ไหนคนยังรู้เลยเดี๋ยวนี้ยลุมพินีพระเจ้าอาโศกไปทําเสาไว้ลุมพินีที่ที่สองถ้าเป็นพระเจ้าท่านเรียกว่าที่ตรัสรูค้คือที่เรียน ที่บรรลุพระเจ้าท่านไม่มีครูท่านการเรียนของท่านเองท่านก็เป็นพระพูทเผยเจ้าโอ้ถ้าเป็นพระท่านเพิ่มมาอีกที่บวชบวชอยู่วัดไหนตอบแทนวัดนั้นเช่นวัดธรรมรามาทีนี้ชาวบ้านเนี่ยที่เรียนแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่ทำงานพอพูดถึงที่เกิดเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนประสูติที่ไหนเขก็รู้ใช่ไหมบางทีตัวเองไม่ได้ไปนึก่าเขาพอนึกถึงที่เกิดเนี่ยก็กลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนใครไม่รู้จักพระราชวังบานไปอินม้างรู้จักทุกคนพระราชวังบานไปอินเนี่ยอยู่ที่อยุธยาเนี่ยอยู่ที่มันอยู่ติกะเกาะกลางแม่น้ํา เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันเป็นที่เกิดของบุคคลสำคัญ <c oughs> ตรงพระราชวังบางปะอินเนี่ยนะในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีเกาะแต่เดิมเรียกว่าเกาะบ้านเลนตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาบานบางปะอินเกาะบ้านเลนเนี่ยในสมัยอายุทยาน้ำก็เชี่ยวนะ เหมือนในสมัยรัชกาลที่ห้าที่พระนางสวนันทาพระนางเรือร่มอะ่ะก็ล่มมาแล้วก่อนนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเหตุที่ทาให้เกิดพระราชวังเนี่ยวังเกิดในสมัยอยุธยาก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งนั่งเรือมาเรือร่มอีกแหละแถวๆนั้นเนี่ยที่แต่ว่าในสมัยอยุธยายพอเรือร่มเจ้าชายท่านก็ว่ายน้า เข้าไปที่เกาะเกาะบ้านเลนแล้วมีครอบครัวต้อนรับท่านดูเป็นเจ้านายสูงสักก็เลยต้อนรับพอต้อนรับก็ก็ไปพบอ๋อเจ้า <c oughs> เออเนาะเอเอคงท่านต้องนึกย้อนนะ <c oughs> ถูกตาถูกใจกันมีความรักจะอยู่นานไม่นานไม่รู้ แต่ตอนหลังมีบุตรด้วยกันเมื่อกลับมาที่หวังก็ให้ไปเชิญหญิงสาวชาวบ้านที่เกาะบ้านเลนเนี่ยไปอยู่ในหวังด้วยต่อมาเจ้าชายองค์นี้ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ตอนที่เรือล่มเนี่ยเป็นอนุชาเป็นอุปราชพี่ชายคือพระนเรสวน สมเด็จพระนเรศวรเพราะฉะนั้นน้องชายองค์นี้คือเอกาทศรสนะพระเอกาทศรสนี่แหละที่ไปเรือล่มที่เกาะบาเลนก็เอาหญิงสาวไปไว้ในวังแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรคนนี้ต่อมาหลังจากพระเอกาทศรสสวรรคตไปยี่สิบปีได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน พระนามว่าพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองเนี่ยนึกถึงบ้านเกิดของแม่บ้านของแม่ชื่อเกาะบ้านเลนก็เลยกลับมาสร้างวังตรงนี้เปลี่ยนชื่อเกาะบ้านเลนเพราะแม่ที่เป็นสาวชาวบ้านนางสนมเนี่ยชื่ออินก็เลยเป็นบางปะอินโอ้โอ ไปเรือล่มที่ไหนก็จะได้มีบางปะบ้างนะถ้าท่านไปพระเฉวังบางปีทุกวันนี้จะมีสารพระเจ้าประสาททองที่ต้นไม้อยู่ตรงนั้นแล้วก็พระเฉวังบางไปอินที่พระเจ้าประสาททองมาสร้างไว้เนี่ยต่อมาก็ล่มสลายไปพร้อมๆกับกรุงศรีธยาถูกเผา จนมาฟื้นในสมัยรชัชกาลที่สี่ที่ห้าอยู่ในปัจจุบันแต่เขาก็ยังสร้างศาลพระเจ้าประสาททองเป็นที่ระลึกนี่เป็นสมัยโบราณว่าคนระลึกนึกถึงบ้านเกิดก็มาสร้างอนุสรสถานแต่บางคนตัวเองไม่ได้สร้างคนอื่นก็สร้างให้ไปบอสตันท่านจะเห็นคิงภูมิพลอดุญยาเดทสแควร์ ไปมาแล้วไปหรือยังเออไปเออหลายคนไปแล้วเออเอยืนยันได้ไม่ใช่เฉพาะมีคิงภูพิพานดึงยังะเลวยังมีวัดนวมินทรชูทิตไปหรือยังไปแล้วเสียงดังกว่าเออใครสร้างพระพรหมวชิรยาน อุทิศให้ใครชื่อวัดก็บอกอยู่แล้วนาว่ามินธาราชูทิศอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินราชการที่ก้านี่เป็นที่เกิดที่บอสตันที่โรงพยาบาลที่เมา์เออมอนเออรอ์บินฉะนั้นจึงถือว่าที่เกิดสำคัญถ้ามีโอกาส ทดแทนหรือสร้างอนุสรณ์สถานส่วนที่เรียนเนะที่ศึกษาเราเรียนมีสองอย่างเรียนหนังสือเราก็ต้องตอบแทนแล้วแต่ว่าท่านจะประทับใจในชั้นไหนมีทสมัยก่อนเขามีโรงเรียนเดียวใชไมมได้นี่มีทั้งประถมมัธยมอุดมศึกษาเลยไม่ไปสักที่เลยแต่ในอเมริกาเนี่ต้องชมเขาอย่างหนึ่งนะ เขาจะตอบแทนโรงเรียนสถาบันที่เขาจบมาแข็งขันกว่าบ้านเรามากเลยตอนที่เปิดวัด Nova Min นวะมินปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดพระเดคุณพระพรหมวจิรยานนี่นโมโนตมาไปเทศนะในพิธีเปิดวัดนี่องค์นี้เทศนะ <c oughs> เทศฉลองนะ ก็ถือโอกาสไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่พระราชบิดาราชการที่เก้าอะเรียนแพทย์อยู่อะเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยนะ oh. ก็ไปที่ฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีโปรเฟสเซอร์จากเอ t มไอทเป็นไกด์บรรยายให้แล้วก็พาไปเอ t มไอทีก็ได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ย เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของอเมริกาเพราะมันอยู่ฝั่งตะวันออกเวลาเขานั่งเรือมาจากวิโกเขาก็มาตั้งหลักกันที่นี่เขาก็ตั้งสถาบันมหาวิทยาลัยที่นี่แล้วเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน private university ก็เลยถามเขาว่าแล้วมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยเอกชนนี่วัดไม่ได้ ซัตว์สิ้นดไม่ได้ให้เงินอุดหนุนอะไรเท่าไรเลยแต่เขาอยู่กันมาและเป็นมหาวิเลยมีชื่อเสียงระดับโลกเขาก็บอกว่าอยู่ได้ด้วยสิทธิ์เก่าจบไปแล้วเนี่ยเอาเงินมาบริจาคตั้งเป็นฟันเป็นเป็นทุนปัจจุบันมีอยู่หนึ่งมื่นสองพันทุน รวมเป็นกองทุนเรียกว่า Endowment กองทุนมหาวิทยาลัยมีเงินเท่าไหร่รู้ไหมท่านในปี2017เนี่ยไปเปิดสถิติดูปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยมีกองทุนมหาวิทยาลัยนะ37พันล้านเหรียญสหรัฐเี่ยนะ 37,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นล้านล้านบาทอ่ะวัฒธรรมรามมีเท่าไหร่ฮะติดลบอย่าไปพูดรู้ไหมมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดอ่ะโปรเฟสเซอร์ท่านเล่าให้ฟังในปีที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 2,008 2,009 ประเทศไทยต้นกำเนิดวิกฤตต้มยำกุ้งในสหรัฐมีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็คือเศรษฐกิจตกกองทุนของมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดเอาไปลงทุนเนี่ยนะเพื่อเอาผลกำไรมาบริหารเนี่ยขาดทุนไปเท่าไหร่รู้ไหม ฟอสบอกว่าขาดทุนด้วยการลงทุนในในช่วงนั้นเนี่ย12พันล้านติดลบอ่ะวัรรารันจิ้จ้อยอีกอย่าไปคิดมากฉะนั้นจึงมันได้สถิตินะว่าเป็นมหาวิลลยที่มีกองทุน มากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งในสหรัฐก็ฮาวร์นี่แหละทั่วโลกก็ไม่มีใครเทียบไม่ต้องพูดถึงมหาจุฬาต่มเข้าสายกรอบ ง, งออยู่นะว่าจะมาหาจาักติ์ส์เก่าแถวเนี้ยองคแลงเลียนต้องเลียนอันนี้ก็คือเมื่อ ความสำนึกว่าเขาเป็นสิทธ์เก่าที่ไหนอยู่ที่ใดเขาตอบแทนเราได้ประโยชน์จากวัดธรรมารามเรียนธรรมะศึกษาธรรมะลูกหลานมาเรียนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยต้องให้เขาตระหนักตรงนี้ถึงเขาจะเติบโตไปที่ไหนก็ตามแต่เขาเรียนธรรมะกันที่นี่ที่นี่คือที่อบรมบ่มเพาะความเป็นไทย รรวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยที่เราพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักษาไว้แต่เราก็ต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างคือการปฏิการะตอบแทนการได้มาทอดกระถินตอบแทนวัดธรรมรามเนี่ยมันจึงทำให้เราได้มีความพิเศษเป็นที่พิเศษเป็นความสุขกันอีกข้อที่สามคือที่ทำงาน โดยเฉพาะงานที่เราบุกเบิกประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าถือเอางานครั้งแรกที่ที่ทเ ท, ท, ทครั้งแรกเนี่ยเป็นที่สำคัญคือที่แสดงประถมมธิสนาเดี๋ยวนี้ยังมีหลักฐานอยู่คนก็จะไปกันที่พาราณสีนั่นเป็นการหมุนธรรมจักพพรพระนเรศวรมหาราช รักษาเอกราชของประเทศไทยไว้ได้โดยการทำยุทธหัตถีชนช้างแล้วชนช้างที่ไหนหากันไม่เจอในในสมัยรชัชการที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันลกร้างจนกระทั่งมาถึงรชัชการที่หกสมเด็จกรมพยาดํบรงราชานุภาพก็ให้สำรวจท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาไทยเนี่ยสำรวจไปทั่วไม่ทั้งเมืองจังหวัดการ ทางสุพรรณบุรีในที่สุดก็ไปเจอกองอิฐแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นอนุสรณ์ที่ทำยุทธาธัิถีชนะเลยตั้ง เ, เป็นอนุสรณ์ดอนเจดีเพราะพระนเรศวรทรงให้สร้างไว้ตอนที่มีชัยชนะแต่ละคนเมื่อทำอะไรก็ตามเนี่ยประสบความสำเร็จตรงไหนก็ตาม ก็จะมีสิ่งที่เตือนจิตสกิจใจและก็อยากทำตอบแทนถ้าเป็นไปได้เท่าที่กำลังความสามารถเราจะทำทั้งๆ ท, ที่รู้แต่เราก็ไม่เคยทำมันไกลไม่มีใครอยู่แล้วจะกลับไปก็ไม่มีใครต้อนรับมันมีข้ออ้างสารพันมันละบากโอ้เป็นประธานทอดกระถินมันไม่ใช่ง่ายๆนะ โอ้ต้องไปขอหารองหารายอีกอเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะทาํคทาทความดีกันคนที่จะทําความดีต้องมีคุณธรรมสองประการอย่างมาเป็นประธานถอดกระถินหรือจัดงานทํางานตอบแทนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเรื่องอะไรก็ตา่างข้อที่หนึ่ง กุสเลสุธรมเมสุอสันตุติตาแปลว่าไม่สันโดษในการทำความดีคำว่าสันโดษใช้ทั่วไปที่เราเข้าใจเนี่ยใช้ในกรณีของการจับจ่ายใช้สอยพอเพียงอย่าไปบริโภคมากใช้มากแต่เวลาทำความดีท่านไม่ให้สันโดษ เช่นเรียนเรียนหนังสือจบสมัยนี้ในเะมืองไทยจะจบป .7 พอแล้วไม่ได้ยังพึ่งพอเอามอปลายเอกมอปลายพอแล้วอย่าไปสันโดษถ้าเรียนได้เรียนไปไม่ให้สันโดษในการเรียนในการปฏิบัติธรรมเพิ่งแค่เมือ น, นั่งกรรมฐ า, านแค่นี้เมื่อยแมวทาไปเรื่อ ย, ร, อยรักษาศีลได้กี่ข้อไปเรื่อยเรื่อยเขาเไม่สันโดษในการรักษาศีล เจริญกิตภาวนาในการถวายทานทีนี้เมื่อไม่สันโดษนี่ก็คือขยายขอบเขตของการทำความดีเวลาเราขยายขอบเขตของการทำความดีเนี่ยมันจะต้องออกไปนอกความสบายปกติเนี่ยเราจะมีเราทุกคนจะมีเขต ขอบเขตแห่งความสบายกันตอนนี้อยู่กำลังอะไรก็เรียกอะไรลงตัวแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วคอมฟอร์ทโซนถูกสมัยเคยเจอท่านทูตนะอุรัชธาอยู่กระรวงแต่เป็นทูตเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาส่งให้ไปเป็นสมัยโน้เน่ยให้ไปอยู่ต่างประเทศมันลำบากไม่ยอมไปอยู่ในกระรวงจนกเกษียณเขาก็เลยเรียกท่านทูต ไม่ได้มาเป็นปรงศูนย์อย่างนี้หรอกไม่ได้เห็นโลกกว้างนี่ต่อสู้ลำบากนะครอบครัวละ่ะอะไรละ่ะการออกจากคอมฟอร์ทโซนก็คือการไม่สันโดษในการทำความดีแล้วแต่ละคนเนี่ยจะอาสามาทำอะไรมันก็ อ, อุ้ยุ่งลำบากไม่เอานะ แค่ขับรถก็ไม่อยากขับแนละ้วไปวัดเนี่ยเลยไม่ได้มาฟังดีๆอย่างวันนี้เลย <c oughs> <_ s ion> นอนอยู่บ้านน่นเลยยังนีบางคนบอกเมื่อคืนได้ได้ฟังท่านนะทางเฟซทางเฟซ <_ s ion> ยังอุตส่าห์เปิดอ่ะเหมือนกับแต่ละคนเนี่ยมันจะมีทั้งเคยเห็นหอยชนิดหนึ่งไหมตัวมันเนี่ย <_ s ion> เป็นปูปูเสฉวนปูเสฉวนเนี่ยมันไปอยู่ในเปลือกหอยสบายเลยไปไหนก็เอาเปลือกหอยคลุมไปด้วยแล้วมันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคือเปลือกหอยนั่นแหละไม่อาสาทําอะไรทั้งนั้นจนคนโบราณเลยมาแต่งเรื่องอะไรสังทองเงี้ยขอยสังอะ่ะเกิดมาก็คือพูดถึงคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ย เหมือนพระสังอะสังทอเป็นเด็กออกมาเหมือนกับเพื่อเพื่อป้องกันปัญหาทั้งหลายให้ไม่ให้ยุ่งยากก็เลยเหมือนเทวดาเนรมิตรให้มีสังเป็นเป็นหอยใหญ่เลยเด็กหลบเข้าไปอยู่ข้างในจนแม่โดนเนรเทศมาอยู่กับตาใหญ่ แล้วพอเห็นแม่และบากมาเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาก็เลยออกจากหอยมาช่วยเก็บกวาดใช่ไหมแม่คือพระนางจันทาเทวีไปป่ามาเอ้ยทำไมใครมาเก็บกวาดดีเหลือเกินก็แอบดูถึงได้รู้ว่าลูกหลบอยู่ในหอยสังในคอมฟอร์ทโซนก็มันก็จะมีบทละครสังทองเนี่ยเขาแต่งเป็นบทละครแบบว่า พอแม่เห็นก็ลูกเนี่ยออกมาจากหอยใชย่แม่ก็เลยถือไม้ไปทุบย่างเข้าในห้องทับจับได้ไม้ก็ต่อยใส่ก็ก็ต่อยใส่สังแหลกแตกต่นพระสังตกใจดังไฟรน จะหนีเข้าหอยตนก็จนใจเพราะฉะนั้นพวกอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยทุบสิบัางจะได้รู้จักไปวัดไปวาไปทำกิจกรรมเนอ ะ, นะเพราะถ้าเราอยู่ตรงนั้นมันไม่เจริญมันไม่พัฒ น, นาพระเนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยท่านจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนในเปลือกหอยนี่ก็ได้เพราะฉะนั้น ถ้ามีตั้งหลายแสนแต่มีนักเทศกี่องค์ลำบากลำบถต้องเทศอยู่เดือนจูนที่ผ่านมาเทศอยู่โน้แถวเอโน่นเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีคอมฟอร์ทโซนกันเขาเรียกบินบังสังสวดไม่ต้องเทศก็อยู่ได้บินคือ เบนทบาทนอไม่ต้องเบนทบาทบังคือบังสกุลโอ้สังคือสังคทานที่นี่มีครบเลยนะไม่ต้องออกไปสอนที่ไหนเลยอยู่ได้เลยสังคทานเองก็รับไม่ไหวอะ มันมีคำพโซ่ถ้าไม่คิดที่จะออกไปเนี่ยมันก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถึงจะมีสิ่งที่สบายตัวแต่เขายัางดิ้นรนที่จะทำอย่างอื่นด้วยสุนทรภู้สุนทรภู้ได้ชื่อว่าเป็นนักแต่งกรอนที่ดีที่สุดอ่ะแล้ว นิราชที่ดีที่สุดของสุนทรภูคือเรื่องอะไร <c oughs> นิราชภูเขาทอง <c oughs> แต่งตอนไหน <c oughs> ตอนบวชพระเอะไม่ติดคอมฟอร์ทโซนบวชพระอยู่วัดเรียบอะตรงข้ามกับวัดปายูเน่ยคนเราฝังกันห้ <c oughs> างเองได้ <c oughs> แต่ท่านไม่อยู่เฉย ท่านภายเรือนะสมัยก่อนใช้เรือภายสมัยรัชกาลที่สามขนาดเป็นพระสบายๆท่านจะไปนมัสการภูเขาทองภูเขาทองอยู่ที่พระนครสีธียา เ, เป็นเป็นเจดีย์คล้ายๆภูเ ข, ข, ขาทองที่วัดสเกตแต่คนละแบบเป็นรูปอีกแบบหนึ่งอยู่กลางทุ่งอายุธยานี่สุนทรผู้ นั่งเรือพายให้ลูกศิษย์พายเรือตัวเองก็พายด้วยไปกันสมัยก่อนกว่าจะไปถึงเนาะตามแม่น้ําจะพย า, ยามันก็อันตรายนะกว่าจะไปถึงนิราศภูเขาทองอไปถึงภูเขาทองท่านก็แต่งนิราชที่เป็นนิราชดีที่สุดเนี่ยได้แต่งเพราะท่านออกมาจากวัดเดินทางได้รู้ได้เห็น เห็นอะไรก็จะแต่งถึงสิ่งนั้นถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนมรักรส ถ, ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจากเพราะมากแต่ท่านก็ยังมีกุ๊กกิ๊กเหนะเพราะนิราชนี่ นิราชแปลว่าห่างคนรักมันก็ต้องมีอะไรอาวรกันท่านก็บอกว่าไม่เมาเหล้าอ่าต่อสิช่วยกันมั่ง <c oughs> เมื่อคืนก็ใช้เทศไปรอบแล้ว <c oughs> ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิต <c oughs> คิดฉะไหน ถึงเมาเหล้าก็หายไปแต่มาทุกค่ำคืนเทศต่อเลยโอ้ยางงี้เเดี๋ยวแบกเครื่องกันให้ถ้าจะาพยอมนะโยมที่นี่เทศไปแล้วพอท่านแต่งแต่งจบที่ว่าเป็นในราดีที่สุดเนี่ยท่านแต่ง ท่านก็เลยออกตัวนะว่าไอ้ที่แต่งเนี่ยแต่งตอนเป็นพระผลก็รู้ท่านก็เลยออกตัวว่านักเลงกรอ น, นอนเปล่าก็เศร้าใจจึงล่ำไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอ่ยเป็นนักกรอ น, นอนเปล่ามันเศร้านะมันมันไม่ได้แสดงฝีมือนะ่ะใช่ไหมมีศักยภาพมี potential แล้วทําไมไม่แสดง เป็นนักเลงกรอนถ้าไม่ได้แสดงว่ามัวแต่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่สบายๆในที่สุดเราก็จะไม่ได้นิราชที่ดีที่สุดพา ษ, ษิตฟรัง่งเขาบอกว่า A l o ะ e ร่ริงสโตนแกเซอร์โนหินที่กลิ้งตะไคร่น้ำไม่จับหินที่มาอยู่ในลำธารเนี่ยถ้ามันกลิ้งไปกลิ้งมาตะไครน้ำไม่จับ คนถ้ามันมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมนะสมองไม่เสื่อมหรอกท่าน <c oughs> ใช่ไหมไอท้ที่ไอ้ที่บันลงๆลๆนั่นแหละไม่ได้ใช้สมองขึ้นสนิม <c oughs> แต่ถ้าเราได้ใช้ได้พูดได้อะไรต่างๆหลวงพ่อปัญญาอ น, านันทะ ตอนป่วยไม่ได้เทศแอ่ตอนหลังมาช่วยสร้างโบสถ์ให้มหาจุฬาเทศดีจังเลยเสียงกลับมา <c oughs> แล้วก็ประกาศว่าถ้าโบสถ์กลางน้ำมหาจุฬาไม่เสร็จไม่ตายอ่ะแล้วก็ประกาศให้โยมช่วยกันทำบุญสร้างโบสถ์โยมก็ไปเทศที่ไหนเขาก็ใส่ซองมาใช่ไหม ตีสามตี 4, ี่หลวงพ่อปัญญาณนันทะไม่นอนเปิดไฟอยู่พระที่เป็นหมอที่เป็นอุปถัมก็แอบดูว่าหลวงพ่อทำอะไรตื่นขึ้นมาท่ากก็มาแกะซอง <c oughs> ที่โยบริจากนับเองทุกบาททุกสตังค์แล้วเขียนอนุโมทนาบัตรด้วยใช้สมองหลวงพ่ออันนี้ก็คือที่บอกว่า หินที่กริ้งจะตะไข้่น้ำไม่จับคนที่ออกจากคอมฟอร์โซนคนหนึ่งนะเมื่อวันที่หกที่เลือกตั้งอนะ่ะใครรู้คบเลือกตั้งในอิริโนยเนะี่ยเจบีฟริสเกอร์ เป็นกอล์เนอร์ที่รวยที่สุดในอเมริกาในประวัติศาสตร์ไปลงคะแนนเสียงเขาปล่ามโมเมว่าลงกันแล้วกัน <c oughs> เขารวยมากแทนที่เขาจะอยู่ในภาคธุรกิจสบายๆไม่ต้องมาหาเสียงให้คนดา่าเขาอาสาหมา ออกจากสิ่งที่เป็นคอมฟอร์ตโซนที่สบายๆมาเล่นการเมืองปี2008เขาลงเลือกตั้งเพื่อเป็น House Representative เป็นสอสอแต่ว่าไปแพ้ใน primary ภายในพัดในเขตนี้ด้วยกันซอบตกอะ่ะเขาก็ไม่หยุดเขาก็ทำการเกิจการมาเรื่อย สาธารณประโยชน์อยู่เรื่อยมีความสุข่ยที่เป็นผู้ให้และวันหนึ่งเขาก็ได้มาอยู่จุดนี้เป็นกัปตัเนอร์ของอิลลินอยส์ถ้าเขาอยู่สบายๆอยู่ในอาณาจักรของธุรกิจ <c oughs> เขาก็ไม่ต้องมาต่อสู้มาให้คนด่าเ <c oughs> นี่ยมันก็จึงมีความก้าวหนะ้านี่ข้อที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องไม่พอใจไม่หยุดอยู่กับความสบายนั้น ไม่สันโดษในการทำความดียอมลาบากบ้างข้อที่สองไม่ท้อถอยในการทำความดีทำความเพียรอัปะตะวานิตาปธานนัสหมิเมื่อท่านออกมาจากคอมฟอร์ทโซนที่สบายๆเนี่ยท่านก็จะต้องละบากต้องท ำ, น, น, ทำนู่นทานี่อย่าง ท, ที่ไม่เคยทำเมื่อท่านจะต้องละบากเนี่ยก็อย่าไปท้อถอย แต่ก่อนเคยสบายใช่ไหมแต่มาเล่าถึงพระในเมืองไทยที่ว่าสบายสบายเนี่ยพระผู้ใหญ่แต่ก่อนสบายมีมีคนเอาอเอาเงินมาจะทําอะไรก็ให้เดี๋ยวนี้พระผู้ใหญ่ในเมืองไทยพอสํานักพุทธจะเอาเงินให้นะท่านเอาไปสร้างนูง่นสร้างนี่สร้างโบสถ์สร้างงานอพระไม่ยอมเบิกกลัวเงินถอน สำนักพุทธต้องรอดหนังสือนะเบิกสิท่านไม่เอาอะไม่เบิกล่ะกลัวมีปัญหาก่อนอาตมาจะมาที่นี่อย่าว่าต่คนอื่นเลยสำนักพุทธเขาทำหนังสือมาที่วัดอาตมาวัดประยุนบอกว่าวัดของท่านเป็นวัดเอ่อ สำนักปฏิบัติธรรมดีเล น, นท่านจะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมไหมจะบุรณ่ะให้อะไรไหมมีเงินให้เป็นล้านให้ทำเรื่องเบิกอาตมาบอกสร้างเสร็จหมดแล้วไม่เบิกกลัวเงินถอนอยากจะแนะวัดธรรมรามให้ไปเบิกอยู่ไกลหน่อยเนอะทีนี้ ในกรณีที่เจอปัญหาเนี่ยบางคนไม่อยากทําความดีมีมีคนคนหนึ่ง น, นะเขาเป็นหมอดูนะในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิบอดในฝรั่งเศสนะ่ไปคนก็เตือนนะระวังนะไปเป็นไปเป็นหมอดูให้กับพระเจ้าพพนดินเนี่ย ระวังพอขาดนะเกิดโอ้ระวังนะแกก็ไม่เชื่อไปเป็นหมอดูโหราจารย์เนี่ยนะให้พระเจ้าหลุยส์ที่สิบเบ็ดพอครั้งหนึ่งแกไปถ่ายนะว่านางสนมของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบเบ็ดเนี่ยคนเนี้ยนนชะตาขาดจะต้องเสียชีวิตไม่นานนี้ โอ้ปรากฏว่าไม่นานจริงๆนะตายแล้วพระเจ้าหลุยทิสเบตเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องหมอดูใช่เกิดกังวลไอ้หมอนี่มันตาทิพย์เนี่ยมันรู้อะไรหมดมันรู้เรื่องเราหรือเปล่าเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยหาเรื่องกําจัดก็กระซิบบอกคนในวังนะเดี๋ยวเราจะเรียกหมอดูคนนี้มาในวังแล้วพอเราให้สัญญาณนะพวกเองจับมันโยนลงไปทางหน้าต่างมันสูงนี่ให้คอหักตาย รอสัญญาณนะก็เรียกหมอดูมาหมอดูก็เข้ามาในวังแล้วพระเจ้าหลุยที่สิบก็บอกกับหมอดูบอกว่าคุณดูแม่นใช่ไหมเออคุณดูแม่นเคยดูดวงตัวเองบ้างหรือเปล่าเคยดูดวงไม่ท้าทายหมอดูนะ <c oughs> เคยดูดวงตัวเองบ้างหรือเปล่าว่า เองนี่จะตายเมื่อไรหมอดูตอบว่าดูบ้างพยาค่ะแล้วเองจะตายเมื่อไรถ้าพระองค์จะตายก่อนพระองค์สามวันพระเจ้าหลุยเชื่อดวงเยไหมถ้าเกิดมันตายกูก็ตายด้วยสิไล่รอดชีวิตแต่หมอดูคนนั้นเนี่ย ไม่ทอ้อยังเข้าหวังได้ปกติเพราะว่าต้องเก็บมันไว้ในการที่เราจะทำอะไรก็ตามมีปัญหามีอปค์ไม่ท้อถอยบริษัทเอ่อตูดิโอสร้างภาพยนตร์ใหญ่ m อ m มอ่ะในปีสอง5สรเจ็ดสิบห้า สร้างภาพยนตร์ออกมาเรื่องหนึ่งชื่ อ, อ, อ and the รัสปูตินแอนด์เดอ p เอมเพรสรัสปูตินกับจักรพรรดินีของรัสเซียก็เล่าเรื่องรัสปูตินแล้วก็สนิทสนมกับจักรพรรดินีแล้วก็ถึงการเอ า, เอ า, เอาถูกฆ่ า, าถูกฆ่าตายอย่างไรรัสปูตินทีนี้ตอนที่สร้างเนี่ย MGM ในปี 2,475 เนี่ย MGM ห่วงในเรื่องอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพราะไปเขียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตัวเริ่มภาพยนตร์เลยเนี่ยเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์แต่พอสร้างไปแล้วเนี่ยคนที่ฆ่าวางแผนฆ่าลัสปูตินเนี่ยคือเจ้าชาย ยูสุพฟเป็นคนยิงหลอกเอาอยบรัสปูตินเนี่ยเข้ามาในวังแล้วก็ยิงแล้วก็สกปรไปทิ้งน้ำหนังสือพิมพ์ก็ลงแต่ในทางกฎหมายเขาไม่ผิดอะ่ะหมายถึงตำรวจไม่ได้จับอะ่ะถ้าเกิดไปสร้างตามนั้นเนี่ยนะแล้วแล้วเจ้าชายยูสุพฟบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพราะว่าไม่เคยผิดกฎหมายไม่ตำรวจไม่เคยจับเขาอะ่ะแล้วว่พอรีวูดมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย จะโดนฟ้องจะโดนสู้ก็เลยเปลี่ยนชื่ อ, อาจากเจ้าชายยูสุปอลฟเนี่ยเป็นเจ้าชายเชโกเดียฟเอาชื่อเป็นเจ้าชายเชโกเดียฟแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์ออกมาพอหนังฮอลลีวูดออกมาเจ้าชายยูซุปอฟบอกว่าจริงๆเราเป็นคนทา m อ m เบิดเบือประวัติศาสตร์ฟ้องเลยทางกฎหมาย m อ m จอมแพ้คดีนะจ่ายเงินมหาศาลเสร็จแล้วเจ้าชายเชกโกเดฟเนี่ยมีชีวิตจริงด้วยชื่อจริงด้วยบอกเราไม่ได้ไปนคนค่ารัสปูตินมาใส่ชื่อเราทำไมฟ้องเอาอีกรอบหนึ่งเอ m อมก็เลยต้องจ่ายค่าเสียหายอีก ก็เจอการบมินประมาทตั้งแต่นั้นมาเนี่ยถามว่าบริษัทสร้างภาพยนตร์ท้อัหยไม่ท้อเพราะตอนหลังตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาจะขึ้นตัวหนังสือว่าชื่อบุคคลและสถานที่ต่อไปนี้เป็นฟิกชันเป็นเรื่องสมมุติเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ฟ้องได้ไหมเป็นเหตุจากอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เลยฟ้องอะไรไม่ได้เพราะบอกว่าสร้างขึ้นเป็นตัวละครถ้าไปเขียนเชิงปริสาทแล้วมันผิดพลาดโดนฟ้องนะอย่างในเมืองไทยเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเจ้าพระยาวิเชย์ฟอนคอนเนี่ยคอนสแตนตินเนี่ยมันเลวขนาดนั้นจริงหรือ ในบุพเพนะ่ะจำได้ไหมออเจ้าซึ่งถ้าคอนสแตนตินฟอนคอนคือเจ้าพญาที่ฝรั่งในเรื่องเนี่ยนะเขายังมีชีวิตอยูนะ่มีสิทธิ์ถูกฟอ้องนะเพราะไม่ขึ้นว่าเป็นชื่อสมมุติตัวละครอะไรต่างๆในการทำความดีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความเสีย่ยง ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนอยู่สบายๆบางทีคนไม่อยากลำ บ, บาก <c oughs> ก็ไม่ทำแต่ไม่ทำแล้วก้อนหินที่มันอยู่นิ่งๆสนิมมันขึ้น <c oughs> เราก็จะไม่มีการพัฒนาและและไม่ได้ทำความดีทำธุรกิจอยู่อาศามาทอดกระถินอย่างนี้ <c oughs> ถือว่าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนใช่มเออ <c oughs> นั่นกล้ากล้าหารชันไฉนัะ่ะต้องชื่นชม อาตมาเป็นอธิการบดีมหาจุฬามายี่สิบปีมหาจุฬากลายเป็นคอมฟอร์ตโซนใครไม่กล้าแตะใหญ่โตมากเป็นอธิการบดีใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรท้าทายสิออกดีกว่าออไปทำอย่างอื่นพอออกไปทำเท่านั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นประธานที่เขาไม่ประกาศมันเยอะ <laughs> ประธานสภ า, าสากลวิสาขาบูชาโลกชื่อภาษาอังกฤษอินเตอร์ชิ t งอ n a เต o ร์เนชั่นอลเฮลซิ่วฟอร์เองค์การนี้จัดงานวิสาขาบูชาระดับโลกปีที่แล้วเราเราทำหน้าที่เหมือนโอลิมปิกสากลเนี่ยรัฐบาลที่ไหนจะจัดวิสาขาเราจะไปเป็นพี่เลี้ยงเรามีบอร์ด ปีที่แล้วไปจัดกับรัฐบาลสีลังกาปีนี้จัดในประเทศไทยที่ยูอที่กรุงเทพปีหน้าไปจัดที่เวียดนามกับรัฐบาลเวียดนามในฐานะเป็นประธานใช่ไหมตมาก็บินไปเตรียมการประชุมกับฝ่ายรัฐบาลเวียดนามคณะสงเวียดนามเมื่อวันที่11ตุลาคม1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ไปประชุมเตรียมวิสาขบาูชาโลกปีหน้านะแต่ว่าเตรียมตั้งกัรตอนนี้เลยพอเตรียมเสร็จเขาก็ถแถลงข่าวเชิญผู้สื่อข่าวมาหมดเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้สื่อข่าวเวียดนามผู้สื่อข่าวนานาชาติก็มารอยเตอร์ก็มาเอาพระพรหมดิตขึ้นเขียง อยู่เมืองไทยสบายดีแล้วนะ <c oughs> ให้มาตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเวียดนามแต่ว่ามันเป็นผู้สื่อข่าวทั่วโลกแล้วถามไม่เกรงใจด้วยท่านไม่ถามเหมือนเมื่อคืนหรอก <c oughs> <c oughs> เ, เมื่อคือนยังยั้งยักันบ้างรอยเตอร์ขึ้นมาถามเจาะจงมาที่ประธาน ท่านจัดวิชาพุทธจัดวิสาขาบูชาโลกกันอยู่เนี่ยดูหรือมั่งเปล่าว่าประเทศเพื่อนบ้านท่านพมา่าประเทศพุทธเนี่ยเบียดเบียนพวกโรฮิงญ า, <ย>าอนะเขาไม่อยากพูดกันใช่ไหมโรฮิงญาเนี่ยมุสลิมอะที่อพยพเข้าไปในไทยไปบางประเทศเพราะชาวพุทธอะไรก็ว่ากันไปแล้วทางชาวพุทธโลกเนี่ยจะว่ายังไง ในเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรต่างตอบยังไงอ่ะอยู่สบายๆเนี่ยตอบไม่ดีเขาก็เลย ง, งานเราต่อมาก็บอกว่านโยบายของสภาชาวพุทธโลกในวิสาขะเนี่ยคือสภาของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษขององค์การสรากประชาชาติของอีโคซอมเขาเรียกว่า อีโคซอบก็คือ Economic and Social Council. อ o โคโน c ิค n อนด์โซเชียลคาวซิลสภาคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสาธารณชาติเราเป็นเราได้สถานะเป็น Special c o n s อน t a t i v e Status อาตมามีบัตรเนี่ยเข้าประชุมของ UN เเมื่อไรก็ได้แต่ไม่ได้ไปสักทีบนแต่ประเทศอยู่เนี่ยเรื่องนู้นสำคัญแต่ก็ไม่ได้ไป น, นี่สำคัญกว่าเสร็จแล้ว เขาก็มองคาดหวังว่าเราจะทำอะไรระดับโลกอาตมาก็เลยตอบว่าจำได้ว่าในปีคศสองพันที่ประชุมสหประชาชาติได้เชิญผู้นำาศาสนาทั่วโลกจำนวนหนึ่งพันทุกาศาสนาเลยจะพาะผู้นำท็อปเลยนะหนึ 1, 000, ่งพันท่านทั่วโลกไปประชุมกันในห้องประชุมใหญ่ General Assembly Hall ของ UN อ็าตมาก็โชคดีเป็นหนึ่งในนั้นไปประชุมกันในเรื่องสันติภาพโลกได้ฟังผู้นำาศาสนาทั่วโลกได้พูดกันเกิดความประทับใจมาจนแบบนี้เราได้ประกาศร่วมกัน ในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในปีคศ .2000 ว่า r นโมวอ n ์อ no ินเดเนปเลเ g i o n หยุดประกาศสงครามหยุดทำสงครามในนามของศาสนาอย่าอ้างศาสนามารบกัน ถ้าคุณจะรบกันเพราะความมักใหญ่ไฟสูงในทางการเมืองอยากแบ่งแยกดินแดนคุณก็บอกตรงๆว่านี่คือเรื่องของการเมืองอย่าไปดึงเอาศาสนานั้นศาสนานี้มาบังหน้าให้คนมันทะเลาะกันเพราะศาสนาผู้นำศาสนาต้องกล้าประกาศว่าอย่า abuse อย่าให้แจกศาสนาของเราเพื่อก่อสงรามและเราก็ยึดหลักตรงนี้มาตลอดชาวพุทธที่จัดประชุมวิสาขาบูชาโลกเราออก Decoration ถ้าประชุมที่กรุงเทพก็เป็น Bangkok Decoration Hanoi Decoration ว่าเรายืนหยัดในทิศทางแห่งสันติภาพ อย่าได้เอาศาสนาเข้าไปอ้างยิงไปกอดเกยวไปส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นไม่ว่ากรณีไหนเรายืนหยัดน้อนอันดับแม้กับเรื่องโหริงยางเราก็ประกาศจุดยืนเดียวกันหมดต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเขาก็เลยพอพูดอย่างนี้รอยเตอร์ถอย สำนักอื่นมาอีกแหละแล้วทำไมท่านไม่ไปช่วยทิศตะวันออกกลางบ้างยุ่งจริงๆไม่ใช่ทมนี่เนาะต้องไปแต่ก็ตอบเข้าไปนะก็อาเป็นว่าถ้าเล่าแล้วมันจะยาวเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้ทอดกระถินแต่การที่ได้ออกมาทำอย่างนี้ มันก็จะได้เขาก็จะได้รู้ว่าชาวพุทธเราทำอะไรก่อนมาที่นี่เจดวันตารมาไปไประชุมเวิล์บุริสฟอรัมที่จีนไปขึ้นกล่าวสุนทรพจน์รัฐบาลจีนจัดเชิญผู้นำชาวพุทธทั่วโลกไปและให้ธรรมมาขึ้นกล่าวต่อจากจีนเพราะถือว่าเป็นประธานวิสาขะโลก ก็ให้ความมั่นใจกันว่าเราจะทำงานในแนวทางเดียวกันส่งเสริมสนับสนุนกันชาวพุทธไม่ว่าอยู่ที่ไหนในสหรัฐในที่ไหนในโลกเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันเจ็ดปีที่จะมาเ ป, เป็นประธานวิสาขาโลกเนี่ยได้ทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่ง รวมเอาชาวพุทธอรัลา ท, ทั่วโลกเลยไม่เคยมีใครทำได้ทำสำเร็จออกมาแล้วใช้เวลาเจ็ดปีรวมพระไตรปิฎกภาษาจีนภาษาทิเบตภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเอามาไว้ในเล่มเดียวกันเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกันเช่นกรรมฐาน อยากรู้ว่ากรรมฐานของฝ่ายเราเป็นอย่างไรกรรมฐานแบบเซนเป็นอย่างไรกรรมฐานแบบที่เบตเป็นอย่างไรแปลมาจากพระไตรปิฎกของเขาเลยให้ผู้เชี่ยวชาญแปลมาจากที่เบตแปลมาจากจีนเป็นอะไรต่างมาไว้ในเล่มเดียวกันในทุกเรื่องเราเรียกตั้งชื่อว่า c อ m m o n Buddhist ท e x t s ชื่อพระไตรปิฎกว่าชื่อภาษาไทยว่า พระไตรปิฎกฉบับสากลพระไตรปิฎกฉบับสากล m อมมอนบริสเท็กซ์มีโปรเฟสเซอร์ปีเตอร์ฮาวที่ลอนดอนเป็นเอดิเตอร์พระพรหมบุญิดเป็นชีฟเอดิเตอร์ภายในหนึ่งปีเราแปลเป็นภาษาไทยได้แล้วภาษาอังกฤษเนี่ยพิมพ์ซ้าละมีวางขาย อเมซอนก็มี <Amazon S 2> ไม่แจกไปเปิดคอมมอนบุติสเทคเนี่ยอเมซอนเนี่ยเขาจะมีหนังสือเรื่มนี้แล้วภาษาไทยปแปลแล้วพระไตรปิฎกฉบับสากลภายในหนึ่งปีเก้าประเทศขอปแปลเป็นภาษาต่างๆปีหน้าก็จะออกมาจากที่ทำงานร่วมกันเนี่ยอยู่เฉยๆ เขาก็ให้เป็นมอส อ, อยู่แล้วทำอะไรนักหนาแต่เพราะไม่สันโดษในการทำประโยชน์ทำแล้วมีความสุขก็ทำก็เทศแล้วก็ทั้งหนังสือทั้งอะไรต่างจึงเข้าใจว่าทำไมจึงเวลาทำความดีแล้วมันมีความสุขที่ยั่งยืนอาจจะลำบากอาจจะเหนื่อย แต่ถ้าเราได้ทำความดีโดยไม่ท้อถอยรางวัลที่ตอบแทนมันเป็นประโยชน์ที่จะเป็นความสุขที่ถาวรที่ยั่งยืนต่อไปเรามาอยู่ที่วัดธรรมรามซึ่งเป็นที่ที่เราถ้อยกระถินเพื่อตอบแทนสำนักที่เราเรียนธรรมะลูกหลานเรียนธรรมะ มีโอกาสก็ช่วยกันคนเล็กละน้อยร่วมกับประธานงานกระิ่นส่วนจะช่วยกันเท่าไรก็แล้วแต่ท่านรู้สึกว่าตัวเองได้อะไรเท่าไรจากวัดนี้ได้มากก็ช่วยมากได้ประโยชน์น้อยก็ช่วยน้อยเหมือนกับที่นักกวีคนหนึ่งชื่อ โรเบิร์ตเบิร์นส์เป็นชาวสกอตเวลาพูดถึงโรเบิร์ตเบิร์นส์เป็นกวีชาวสกอตท่านอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าเขาเป็นคนทำให้เกิดเพลงที่คนทั่วโลกร้องกันอยู่ในปีใหม่พอมัน ตีนาฬิกามิดไนขึ้นปีใหม่เขาจะร้องเพลงนี้กันเพลงอะไรโอเลนไซด์โรเบิร์ตเบิร์นนี่แหละเป็นคนทำโอเลนไ i ด์แปลว่าอะไรร้ <laughs> องทุกปีแล้วก็ร้องกับเขาไปจะได้อะเนาะมันเป็นภาษาสกอต แปลว่า for old times sake เพื่อเห็นแก่วันเก่าๆ เ, เวลาเก่าๆ เ, เป็นเพลงของชาวสกอตพื้นเมืองร้องกันมาแต่เดิมแล้วโรเบิร์ตเบิร์นีแกเป็นนักกวีแกไม่ได้ยินเข้าแกก็ไปขอให้คนสกอตเนี่ยบอกเนื้อมาพอบอกเนื้อมาแกก็ทำทำนองด้วยและไปส่งที่มิวสิกมิวเซียม ของสกอตมันก็เลยเป็นหลักฐานปี1นึ8งที่เขาลงหลักฐานว่าเขาได้ทำอันนี้ไว้เนื้อสอปีมาแล้วโรเบิร์ตเบิร์นได้ทำไอโอเลงไซเนี่ยเวลาล้อก็นึกถึงเขาบ้างนะวันหนึ่งโรเบิร์ตเบิร์นเนี่ยเดินอยู่ที่ท่าเรือที่สกอตแลนด์เนี่ยนะ แล้วได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือแล้วได้ยินเสียงคนตะโกนกันช่วยหน่อยช่วยหน่อยแกก็วิ่งไปแถวที่เสียงคนร้องปรากฏว่าคนตกน้ำมันเปลนท่าเรือเนี่ยมีคนตกน้ำไปร้องให้คนช่วยแล้วก็มีทหารเรือเนี่ยนะโดดลงไปผู้กล้าหาญเนี่ยว่ายไปไปช่วย คนที่ตกน้ำเอาขึ้นมาคนที่ตกน้ำเป็นพ่อค้าร่ำรวยมีชื่อเสียงว่าร่ำรวยคนก็มามุงดูใช่ไหมโอโหช่วยพ่อเศรษฐีอะดูซิเศรษฐีจะทิปเท่าไหร่พระกโว่าทิปเป็นเงินในสมัยนี้ก็หนึ่งดอลลาร์เศรษฐีนะ เอาหนึ่งดอลลาร์ไอ้คนที่ช่วยเนี่ยมันก็อึกอักอึกอกเงินนิดเดียวไปรับทําไมคงนั้นไอเขาด้วยอ่ะนะแล้วก็คงจะรู้สึกหูทาไมแค่หนึ่งดอลลาร์เองคนที่ลุ้มอยู่ก็เลยต่อว่าเศรษฐีเขาลําบากลำบนไปช่วยคุณคุณมีเงินมีทองเยอะทําไมแค่หนึ่งดอลลาร์โลเบิร์สเบิร์นได้ยินเสียงคนเถียงงันก็เลยไปถามเรื่องราวเป็นยังไงพอ พอฟังเสร็จโรเบิร์ตเบอิเบอนเขาบอกว่าบอกกับคนที่นั่นบอกคุณอย่าไปว่าเศรษฐีคนนี้เลยเขารู้ดีว่าชีวิตเขามีค่าเท่าไรเขาก็จ่ายเท่านั้นท่านคิดว่าท่านได้เท่าไรจากวัดธรรมรามท่านก็จ่ายเท่านั้นอย่างน้อยผ้าป่านึงดอลลร์ก็ยังดี เมื่อเราทำความดีจะเท่าไรก็ตามมีเจตนาก่อนที่จะทำกำลังทำและหลังทำแล้วเราก็จะมีความสุขวันนี้เรากำลังจะทอดกระถินพระราชถานจิตใจเราพร้อมปีติโสมนัสมีความสุขความสุขนี้ก็จะยั่งยืนเพราะหลังจากนี้เราก็จะราละึกนึกถึงว่า อีกห้าปีสิบปีโอเลงสายเคยมาฟังแต่อยู่ที่นี่นะ for o n t i m e sex อ่ะก็ไม่ล ok, ma ืมและก็เป็นสิ่งท e ี่งดงามจดจำประทับใจทำให้เราใยที่จะทำความดีต่อไปการทำความดีจ mm, ึงทำให้มีความสุข ที่ยั่งยืนเป็น s ustainable happiness ดังที่บรรยายมาก็ขออนุโมทนาโดยเฉพาะท่านประธานจัดงานกระถินพระราชทานก็คือคุณนุชนาฏสุวรนรมณีชุมสายณอายุทยาพร้อมทั้งท่านผู้เป็นรองประธานผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้มีกุศลรัต<ม>ามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลถวายภาพพระกริินพระราชานในวันนี้<ม>ขออำนาจแห่งคุณทศีรัตนไตรและกุศลความดีทุกประการที่บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ที่ยั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตรทวนรายทั้งปวงเจริญยิ่งขึ้นด้วยอายุวันณนะสุขะพละปัติพานธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้ธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสาเร็จสมโมโนรถมุ่งมา่นปราถนาทุกประการ ตลอดกาลละนานเทิน